พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สามสามสุตตันตปิฎกกุฏกานิกายจริยาปิฎกคำพีว่าด้วยพระพุทธจริยาจริยาปิฎกหรือคำพีว่าด้วยพระพุทธจริยานี้นับเป็นเรื่องใหญ่หัวข้อสุดท้ายในเล่มที่สามสิบสาซึ่งเริ่มด้วยเรื่องอัปทานกับเรื่องพุทธวงมาแล้วโดวยลำดับจริยา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 ในสโมโอทานากถาหรือคําสรุปแสดงบารมีสิบแจกเป็นสามสิบคือบารมีหรือคุณธรรมที่ให้ถึงฝั่งแห่งความสําเร็จอย่างธรรมดาหนึ่งสูงขึ้นมากกว่านั้นเรียกอุปบารมีหนึ่งสูงสุดเรียกปรมาถบารมีหนึ่งบารมีสามขั้นนี้เป็นไปในคุณธรรมสิบข้อจึงเป็นบารมีสามสิบคุณธรรมสิบข้อ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 ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลตามเดิม 4. มหาสุทัศน์จริยาประวัติครั้งเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะในสมัยเมื่อเราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะจักรพรรดิในกรุงกุสาวดีได้ประกาศให้ทานทุกอย่างที่มีผู้ต้องการวันละสามเวลาไม่มีอาลัยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างอื่น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 เราะเราปรารถนาพระพวธวทยานอันอุดม 7. จันทากุมารจาริยาประวัติครั้งเป็นจันทากุมานในสมัยเมื่อเราเป็นจันทากุมาน ร, ราชโอรสของพระเจ้าเอกราชในกรุงปุปภวดีได้พ้นจากการถูกบูชายันรู้สึกสลดใจจึงจัดให้มีมหาทานได้ให้ทานตลอดห6ถึงวัน